สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแจ ก, กสิทธิธรรมบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยหกสิบคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สามสิบห้าโปรดประทานอาหารประจําวันพี่น้องครับพระเยซูได้ทรงสอนเรานะครับให้เราอิจฉานในคําวิงวอนอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายเรื่องของเนื้อหนังเรื่องของความต้องการ ขอส่งโปรดประทานอาหารประจําวันให้กับข้าพงศงหลายในการระวันนี้พี่น้องครับในคําอธิษฐานในช่วงหลังนี้นะครับก็คือมีคําทูลขออยู่สามประการด้วยกันที่เปิดโอกาสให้พระเจ้าได้ทรงรับเกียรติในพระองค์เองเมื่อเราอธิษฐานว่าขอสรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายในการวันนี้เรากําลังทูลขอสิ่งที่เป็นเรื่องราวของชีวิตฝ่ายร่างกายครับ และเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานประโยคต่อไปขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นเป็นการอธิษฐาน ท, ที่เกี่ยวข้องกล่าวถึงชีวิตฝ่ายจิตใจครับและคำอธิษฐานสุดท้ายก็คือขออย่านำข้าพระองค์เข้าปฏิการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเป็นคำทูลขอสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณครับ พี่น้องครับอาหารนั้นเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าสําหรับปัจจุบันนี้ในขณะที่การยกโทษบาปผิดนั้นเป็นการดูแลอดีตและการทรงนําของพระเจ้าที่จะไม่ให้เข้าไปอยู่ในการทดลองนั้นเป็นคําวิงวอนเกี่ยวกับอนาคตเราจะเห็นปัจจุบันอดีตและอนาคตอยู่ในคําอธิษฐานในช่วงหลังนี้ ีนี้นครับมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งชื่อเอลตันทรูบัตนะครับท่านเขียนไว้ว่าในที่ประชุมนมัสการของคริสตจักรบางแห่งพระกิตติคุณของพระเจ้านั้นถูกลดค่าลงจนกลายเป็นเพียงศิละปะแห่งการตอบสนองความต้องการของตัวเองสิ่งที่เหลืออยู่ในนั้นก็มีเพียงแค่การเห็นแก่ตัว ของผู้คนเท่านั้นโปรดฟังครั้งนะครับประโยคนี้เป็นประโยคที่น่าคิดมากครับเป็นแนวความคิดที่น่าจะเอามาตรวจสอบชีวิตของเราในการน้ำมสการของเดเือจักรทั้งหลายเอนตัน <Enter to S 1> ทูบัดเขียนอย่างนี้ครับว่าในที่ประชุมน้ำมสการบางแห่งพระกิติคุณของพระเจ้าถูกลดคุณค่าลงจนกลายเป็นเพียงศิละปะแห่งการตอบสนองความต้องการของตัวเอง สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่นั้นก็มีเพียงแค่การเห็นแก่ตัวของผู้คนเท่านั้นหากว่าพี่น้องคุณและผมเราหลายๆายครั้งทีเดียวที่ในการน้ำพัสการพระเจ้าเราลดคุณค่าของพระเกียรติพระเจ้าพระเกิรติคุณของพระเจ้าและลืมไปที่จะถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุด เราลืมไปที่จะนมัสการพระเจ้าและการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นเพียงแค่คําอ้างซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของเราและทุกอย่างจึงกลายเป็นศิละปะเป็นการแสดงหมดกับพ mm. ี่น้องครับนั่นคือการนมัสการที่เห็นแก่ตัวแต่ไม่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง มีผู้รับใช้พระเจ้าอีกท่านหนึ่งนะครับเขียนไว้แห่งนี้ครับแจยแพคเกอร์ Parker, ซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในสมัยของเรานี้ท่านเขียนว่าคําอธิษฐานของคริสเตียนนั้นไม่ใช่ความพยายามที่จะบังคับพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เป็นการตระหนักถึงการขอความช่วยเหลือและความต้องการที่จะพึ่งพาอาศัยพระเจ้าต่างหากโปรดฟังอีกครั้งครับ คำอธิษฐานของคริสเตียนนั้นไม่ใช่ความพยายามที่จะบีบบังคับพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เป็นการตระหนักถึงการขอความช่วยเหลือและความต้องการที่จะพึ่งพาอาศัยการอธิษฐานคือการรับรู้ตระหนักรู้ถึงการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและเราต้องมีความต้องการมีนิดนะครับที่จะพึ่งพาอาศัยพระองค์ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการพึ่งพาอาศัยได้ใช่ไหมครับพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เรา t r ส s t ไว้วางใจได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องระลึกอยู่เสมอสิ่งที่เราทูลขอในคําอธิษฐานตามอย่างของพระเยซูนั้นถึงแม้ว่าเราจะกล่าวถึงความต้องการของเราก็ตามครับแต่ก็เป็นหนทางที่พระศิริของพระเจ้าพระเกียรติของพระเจ้าจะมาปรากฏในโลกนี้ได้อาเมนไหมครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู แม้ว่าเราจะกล่าวถึงความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของเงินทองของเราเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการในโลกนี้โดยที่เราไม่ได้เกิดมาจากความโลภนะครับโดยที่ไม่ได้เกิดมาจากความโลภสิ่งเหล่านั้นนั้นแม้จะเป็นเพียงแค่ความต้องการของเราแต่ก็เป็นหนทางที่พระสิริและพระเกียรตินั้นจะปรากฏในโลกนี้โดยผ่านการตอบคาอธิษฐานของพระเจ้า ที่มีต่อทํำทูลขอของเราพี่น้องครับเราจะไปดูให้ลึกลงไปอีกนะครับว่าคําว่าอาหารนั้นมีความหมายที่กว้างขวา ง, งจริงๆเมื่อเราอธิฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงษ์ทั้งหลายในการวันนี้คําว่าอาหารในที่นี้มีความหมายกว้างขวางมากหมายถึงทุกอย่างซึ่งเป็นนิดนะครับทางด้านความต้องการทางร่างกายของมนุษย์นะครับพี่น้องครับ เราคงจำได้นะครับทุกท่านที่เรียนเราจะรู้ว่ามีน e ดอยู่ห้าประการครับของมัสโลซึ่งเป็นฮิวแมนน e ดหรือเป็นความต้องการของมนุษย์ความต้องการพื้นฐานที่สุดครับก็คือฟิสิกอลนิดนะครับเป็นความต้องการฝ่ายร่างกายซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นคำอธิบายของคำว่าอาหารอาหารประจำวันนะครับ ผมอยากจะกล่าวความหมายที่กว้างออกไปก็คือนอกจากจะเป็นอาหารทางด้านร่างกายนะครับหมายถึงรั์สิ่งของได้ด้วยรั์สิ่งของในที่นี้คืออะไรครับรับสินของในที่นี้คืออาหารครับทั์สิ่งของนั้นเป็นการจัดเตรียมไหวร่างกายมนุษย์ไม่สามารถจะเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณได้จนกว่าเขาจะมีร่างกายเสียก่อนพี่น้องครับพระเจ้าทรงเริ่มต้น สร้างสรรพสิ่งนะครับในทางกายภาพและพระองค์ก็ประทานวิญญาณของพระองค์เข้ามาอยู่ในตัวของมนุษย์มนุษย์จึงเป็นผู้ที่มีชีวิตพี่น้องครับเรารู้สึกขนลุกไหมครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าแห่งอวกาศพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงสร้างเวลาและอยู่เนื้อการและเวลาพระเจ้าแห่งนิรันดร์การพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระเจ้าบังคับบัญชาโลกสุริยะจักรวาลและดวงดาวทั้งหลายในกาแล็กซีและทุกๆุกดวงในจักรวาล น, นี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระองค์และในขณะเดียวกันครับพระเจ้าองค์นี้แหละครับเป็นพระเจ้าที่ท่อมท่อมพระองค์ลงเสด็จมาหามนุษย์ครับยอมสิ้นพระชนบนม่ง เ, เขน็นเป็นพระเจ้าที่ห่วงใย เป็นพระเจ้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเราพี่น้องครับลองคิดถึงความยิ่งใหญ่ขนาดของพระเจ้าที่เราไม่อาจจะพรรณนาได้แต่ในคณะเดียกันครับพระเจ้าองค์นี้แหละรักและห่วงใหญ่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเราได้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระองค์ปรารถนาและตามที่เรามีความจาเป็นพี่น้องครับมาทิลูเธอร์นะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่รักพระเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิรูปนะครับให้เรามีคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์ในทุกวันนี้ท่านกล่าวนะครับว่าทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอันได้แก่อาหารร่างกายที่แข็งแรงอากาศดีครอบครัวภรรยาลูกรัฐบาลที่ดีสันติภาพและสันติสุขนี่ความหมายคำว่าอาหารครับ ผมทบทวนอีกครั้งนะครับมาทีลูเทอร์เขียนนี้ครับว่าทุกสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอันนี้คือความหมายของเขาวาอาหารครับอาหารคือทุกสิ่งที่จําเป็นต่อการดํำรงชีวิตของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นอากาศบ้านครอบครัวพัญญาลูกรัฐบาลสันติสุขสันติภาพเพียงครับหากสิ่งเหล่านี้ ที่อยู่รอบตัวเรานั้นนับแต่อาหารเราได้อาหารที่ดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรามีอากาศที่ดีไม่มีหมอกควันไม่มีควันพิษไม่มีมลพิษเรามีบ้านที่ดีเรามีครอบครัวที่อบอุ่นเรามีภรรยาที่รักพระเจ้าเรามีลูกที่เชื่อฟังและเรามีรัฐบาลที่ดีที่จัดซื่อไม่คอร์รัปชัน เรามีสันติสุข peace นะครับในชีวิตของเราและ peace with God ก็คือสันติสุขกับพระเจ้าและ peace with men ก็คือสันติสุขกับผู้คนที่อยู่รอบเราและ peace with environment ก็คือสันติสุขที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมเพียงครับหากมีสิ่งเหล่านี้ครับเรามีความสุขแล้วครับนี่คือคนรวย ในสายพระเนตรของพุทเจ้าและสิ่งที่เหลืออยู่จากนี้เขาจะให้ออกไปเขากําลังสะส ม, ส, ส, มสัมสมทรัพย์สมบัติของเขาไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีขโมยจะขุดช่องลักเอาไปได้ที่ไม่มีมแมลงจะเจาะและก็ทําลายให้เสียหายได้เพราะฉะนั้นชีวิตนั้นไม่ต้องหรูหราฟุ่มเฟือยครับผมพูดอีกครั้งนะครับชีวิตนั้นไม่ต้องหรูหราฟุ่มเฟือยสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แกเราอย่างเกินพอ ก็ถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าแล้วแต่เราจะต้องเอาความเกินพอนี้นะครับให้ออกไปครับเอาสิ่งที่เกินพอในชีวิตของเราให้ออกไปนี่คือการสัมสมทรัพสมบัติไว้เนสวรรค์นี่คือการใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราอย่างเกินพอล้นออกไปนะครับเหมือนพรที่ล้นออกมาจากแก้วออกมาจากชามออกมาจากไห้ออกมาจากโ อ, อกาาก่องครับพี่น้องครับพี่น้องที่ ยังรู้สึกไม่เพียงพอนะครับขอให้เราอธิษฐานคําอธิษฐานนี้เพื่อที่จะให้เรารู้สึกเพียงพอครับและเมื่อเรารู้สึกเพียงพอเราพอแล้วนั่นคือสัญญาณที่เราจะได้พรเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้อีกขอพระเจ้าอวยพระพรอาเมน